เราก็คงพอจะเข้าใจเรื่องของธรรมะอยู่บ้างแต่ก็คิดว่าคงมีบางคนหรืออาจจะหลายคนที่ยังสงสัยอยู่ว่าธรรมะนี่เราเรียนไปทาไมเราเรียนรู้ไปทำไมในเมื่อชีวิตเราก็มีความสุขสบายดีอยู่แล้วถ้าจะตอบสั้นๆว่าทำไมเราจำเป็น ไม่ใช่ควรนะแต่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องธรรมะคำตอบศาสนาคือว่าถ้าใครคิดว่าเราจะไม่มีวันทุกข์จะไม่มีวันพัดพลากจะไม่มีวันสูญเสียจะไม่มีวันตายออกจากวัดนี้ไป นับจากวันนี้ไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พัดพลากไม่ผิดหวังนะแล้วก็จะอยู่ไปนิรันดร อ, อันนี้ก็ไม่ังเป็นต้องศึกษาหรือมาเรียนรู้ธรรมะแต่ถ้าเราไม่แน่ใจในชีวิตของเราข้างหน้าว่าต้องประสบกความพัดพลาดผิดหวังหรือว่า แน่ใจด้วยซ้ำว่าจะต้องมีวันเจ็บวันป่วยแล้วก็ในสุดก็ต้องถึงวันที่พัดพรากจากโลกนี้ไปถ้าเรามีความแน่ใจอย่างนี้เนี่ยธรรมะเป็นเรื่องที่เราหลีกนีไม่พ้นที่จะต้องศึกษาแล้วก็ทาความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังมีความสุขดีอยู่โลกนี้อาจจะยังสดสวยคนที่เราลัก ก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าแต่นั่นเป็นเพียงของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องพบกับความพลัดพรากพบกับความผิดหวังความสุขที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้มันเป็นของชั่วคราวไม่แน่นอนไม่ช้าก็เร็วความทุกข์ก็ต้องมาเยือนเรา อันนี้มันเป็นธรรมดาของโลกเป็นธรรมดาของชีวิตเปรียบเสมือนกับเหรียญเหรียญเหรียหนึ่งเนี่ยมันมีสองด้านสุขกับทุกเนี่ยมันเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกันเหมือนกับความสว่างกับความมืดเนี่ยมันมาด้วยกันที่ไหนที่มีความสว่างแล้วไม่มีเงามืดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ชื่อของเราจะเหมือนกับคนที่อยู่ท่ามกลางแสงสว่างมองไปที่ไหนดูมันใสดูมันสว่างไปหมด แต่ลองสังเกตดีๆเธอมันจะมีเงามืดอยู่ไม่มีความสว่างไหนที่ไม่มีเงามืดและความมืดเกิดขึ้นเพราะความสว่างในขณะนี้เนี่ยชีวิตเราอาจจะมีความสุขก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นเงามืดที่มันกำลังจะมาทาบทับตัวเราหรือชีวิตของเราคนที่เขาเพลินกับความสุขนะโดยเฉพาะ เราอยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเพลินกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะคิดว่าไอ้ความเจ็บความป่วยหรือความตายเนี่ยมันยังอยู่อีกไกลอันนี้แสดงว่าเราประมาทประมานี่ไม่ได้ไหมายถึงขับรถโดยประมาทนะแต่ว่าที่มันน่ากลัวกันนั่นก็คือการใช้ชีวิตยอย่างประมาทก็คือความเพลินความ หลงไหลในชีวิตของเราในความสุขของเราในปัจจุบันของเราที่กำลังสดใสเราประมาทเราไม่ได้ตระหนักว่าให้ความพลัดพรากสูญเสียรวมทั้งความตายเนี่ยมันสามารถจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้แลพะพอถึงสิ่งเวลาั้นมาถึงเนี่ยก็ตี อ, อกชกหัวตัวเองหลายคนเนี่ยเวลาประสบความพลัดพรากผิดหวังขึ้นมาเนี่ย มัจะพูดว่าทําไมถึงต้องเป็นชั้นบาทีแค่เงินหายแค่ น, นั้นน่ะเงินหายกระเป๋าเงินหายโทรศัพท์มือถือหายก็จะโวยวายขึ้นมาเลยว่าทําไมต้องเป็นชั้นบางคนหนักกว่านั้นนะเป็นเอทไปเที่ยวผู้หญิงมาไปเที่ยวหรือว่าไปใช้ชีวิตยอย่างไม่ละมัดระวังเพราะว่าคิดว่ายังเป็นเป็นสาวก็แสวงหาความสุข ไม่ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพอพ่อว่าตัวเองนีติดชื่อ h i ชวเนี่ยก็ mm hmm. จะบวยวาขึ้นมาแล้วว่าทำไมต้องเป็นชั้นแต่น้อยคนที่จะพูดขึ้นมาว่าทำไมจะเป็นชั้นไม่ได้เราเคยบอกตัวเองอย่างนี้ไหมทำไมยังเป็นชั้นไม่ได้เวลาของหายเวลาเงินหายเวลาเจ็บป่วยเวลาคนรักเช่นพ่อแม่เขาเกิดตายลมหายตายจากไปจากเรา เคยตอนหนักไม่ว่าทำไมถึงจะเป็นชั้นไม่ได้ก็ในเมื่อคนอื่นเขาเป็นกันทั้งนั้นเรามักจะบวยวายว่าทำไมต้องเป็นชั้นทุกครั้งที่เรานึกเช่นนี้พูดเช่นนี้ก็ขอยเราลึกว่าเป็นเพราะเราประมาทไปแล้วเราไม่ได้เราลึกนึกถึงแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ ความเจ็บความป่วยความพัดพลาดสูญเสียเนี่ยมันเป็นธรรมดาของชีวิตที่ไม่เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนพระเอ้าตรัสว่าสิ่งที่เราบอกไม่ได้เนี่ยทำนายไม่ได้เกี่ยวกับความตายเนี่ยก็คือหนึ่งไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่สองไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นที่ไหนส ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรหรือหรือดยสาเหตุใดแล้วก็สไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตหรืออายุนานแค่ไหนแล้วข้อ5เนี่ยคือตายแล้วไม่รู้ไปไหนแต่ข้อห้านั้นเอาไว้ก่อนแต่สี่ข้อเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องเลือกอยู่เสมอบางคนนี่ก็ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่า สนุกสนานเต็มที่นะจนกระทั่งเหมือนกับว่าอยู่อย่างลืมตายคือลืมไปว่าตัวเองต้องตายใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สนุกสนานแล้วถึงเวลาก็มาร้องห่มร้องไห้ว่าตัวนี้ทําไมชีวิตมันสั้นนักถ้าไม่อยากเจอแบบนี้เนี่ย นะก็จาเป็นต้องเข้าใจธรรมะแล้วก็ศึกษาธรรมะให้มันซึ้งแก่ใจนะโดยเพราะในเรื่องของความไม่เที่ยงของชีวิตนะที่เราเรียกว่ากฎไตรลักษณ์ก็คือความเป็นธรรมดาของของชีวิตและของโลกนะความเป็นธรรมดาข้อที่หนื่คือว่าความไม่เที่ยงนะทุกอย่างนี้ไม่เที่ยง เมื่อมีเกิดแล้วก็มีดับเมื่อมีขึ้นแล้วก็ต้องมีลงมีมาแล้วก็ต้องมีไปมีพบแล้วก็ต้องมีพลาดนี่คือความไม่เที่ยงจริงไหมนักศึกษาลองพิจารณาดูเมื่อมีพบแล้วก็ต้องมีพลากเมื่อมีเกิดก็มีดับเมื่อมีขึ้นก็ต้องมีลงนี่คือความไม่เที่ยงชีวิตที่ละอนิจจงอันที่สองคือว่าความเป็นปุ๊ก ก็คือว่าความทุกข์นี่มันแสงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างความทุกข์นี่แสงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกขณะนักศึกษาขณะที่นั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะสังเกตไม่ว่าเมื่อสิบนาทีที่แล้วนี่ก็ยังสบายอยู่แต่ตอนนี้ไอ้ท่าที่เรานั่งที่เราเคลื่อนมาสบายตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะตึงมาเริ่มจะเริ่มจะไม่สบายแล้วนั่นและสดะว่าความทุกข์นี่มันปรากฏ ที่จริงมันปรากฏอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นนักศึกษาตอนนี้อาจจะคิดว่าอยากจะนอ น, นการนอนนี่คงเป็นท่าที่สบายที่สุดอิเลียบที่สบายที่สุดลองนอนดูสิใหม่ๆก็สบายนะแต่ลองนอนไปสักเจ็ดแปดชั่วโมงหรือนอนต่อไปเป็นสิบชั่วโมงยังจะสบายอยู่หรือเปล่าเริ่มจะไม่สบายแล้วอยากจะลุกขึ้นมาทาอะไรอยากจะขึ้นมานั่ง แต่ลองนั่งดูท่าที่สบายที่สุดจะเองหลังก็ได้และลองดูซิว่านั่งอยู่ท่านั้นเนี่ยไปทักสีห้าชั่วโมงเนี่ยจะยังสบายอยู่หรือเปล่ามันทุกข์แล้วนะนักศึกษาลองนึกดูอยากกินอะไรอาหารอะไรที่อยากกินมากที่สุดจะเป็นไกย่งส้มตําหูฉลามหูฉ ล, ลามก็ราคาเป็นหมนะื่นนะเดี๋ยวนี้อยากกิน แต่ลองนึกภาพสะเรืออาจจะเคยประสบตั ว, ตวเองแล้วก็ได้กินทุกวันเช้าก็กินกลางวันก็กินเย็นก็กินกินทุกวันแล้วกินไปตลอดสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันยังจะอร่อยอยู่หรือเปล่าใครที่ไม่เบื่อเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากละมือแรกก็อร่อยนะแต่กินไปกินไปทุกมือทุกมือเนี่ยจากอร่อยมันก็เริ่มรู้สึกเฉย และจากเฉยๆในสุดก็เริ่มจะรู้สึกเอียนและจากเอียนเนี่ยอาจจะถึงขัน้นพอเห็นก็แค่าอาเจียนและ้ะถึงอาเจียนแล้วนี่เรียกว่าสุขมันแสงไว้โดยทุกในความอร่อยเนี่ยความไม่อร่อยนี่มันแสงอยู่ในความสบายเนี่ยความไม่สบายเนี่ยมันซ่อนตัวอยู่แล้วมันก็จะเริ่มปรากฏเริ่มแสดงเมื่อเวลาผ่านไป เพลงที่เพราะที่สุดนะไม่ว่าจะเพลงของนักร้องคนไหนนะลองฟังไปสักร้อยเที่ยวดูสิมันยังเพราะอยู่หรือเปล่ามันเริ่มเบื่อเลยวใช่ไหมนี่แหละที่เคาเรียกว่าทุกเนี่ยมันแฝงอยู่ในสุขท่าที่สบายที่สุดเนี่ยมันไม่เคยสบายไปตลอดพออยู่ในท่านาน ๆ, ๆก็จะเริ่มทุกข์ละเริ่มตึงเริ่มเครียด เริ่มกระสับกระสายแล้วก็กลายเป็นทุกข์ขึ้นมาในที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าทุกขังก็คือว่าความทุกข์นี้มันแฝงอยู่ในทุกสิ่งในทุกอิเลียบทในทุกรสชาติในทุกเสียงเพลงไม่ว่าจะอร่อยแค่ไหนไม่ว่าจะไพเราะแค่ไหนเมื่อเสพมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าความทุกข์ก็จะเริ่มปรากฏ และความทุกข์มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราด้วยอันนี้คือความจริงที่เราอาจจะไม่ชันสังเกตแต่ลองพิจารณาดูไม่ต้องพูดถึงเรื่องความพลัดพร่าความเจ็บป่วยอันนั้นเป็นความทุกข์ที่ชัดเจนอยู่แล้วอย่างที่เราสวดทุกวันอีกข้อเนื้อคืออนัตตาความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าบังคับบัญชาไม่ได้มีอะไรบางที่เราบังคับบัญชาได้แม้แต่ร่างกายของเรา จะบอกว่าไม่ให้ป่วยได้ไหมจะบอกว่าไม่ให้เหี่ยวไม่ให้ย่นได้ไหมจะบอกให้ให้ผิวนี่ให้ผมเนี่ยมันสลวยนะเป็นมันยาวนะไม่แตกปลายเนี่ยห้ามได้ไหมบังคับได้ไหมจะบังคับไปใต้วงแขนนี่มันขาวนี่มันทําได้ไหมไม่ไดนะ้แต่ว่าสามารถจะเข้าไปปรับปรุงมันได้ถ้ามีเหตุมีปัจจัยพร้อมแม้แต่ความคิดของเรา ใครบ้างที่สามารถจะควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้เนี่ยภายในเวลาหนึ่งนาทีแม้แต่นาทีข้างหน้าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะคิดอะไรต่อไปเราสามารถจะเดาหรือสามารถจะบอกได้ไหมว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยจะคิดเรื่องอะไรบอกไม่ได้เลยนะอาจจะบอกว่าเอ้ยอีกนาทีอีกนาทีข้างหน้ายนีไยมันต้องสงบอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าเนี่ยจะอยู่กับจะฟังกับสิ่งที่อารมาพูด แต่ลองดูเถอะเดี๋ยวก็พูดไปโน่นเดี๋ยวก็พูดไปนี่พูดไปไหนไม่รู้เลยอาจจะไปบ้านอาจจะไปห้องน้ำอาจจะนึกถึงเพื่อนอาจจะนึกถึงคดีอาจจะไปถึงอนาคตว่าเมื่อเสร็จจากนี้แล้วจะไปกินอะไรที่ชอบที่โปรดปรานมากที่สุดหรือจะโทร ถ, ถึงใครเนี่ยความคิดของเราเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเป็นของเราความคิดของเราร่างกายของเราเนี่ยเราควบคุมไม่ได้เลย ด้วยเห็นนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะยึดมั่นว่าเป็นของเราได้อันนี้ก็คือความหมายอนัตตาอีกขั้นหนึ่งอั น, นแรกคือบังคับบัญชาไม่ได้อันที่สองคือว่าไม่สามารถจะยึดเป็นตัวเราของเราได้และตรงนี้แหละที่ทำให้เราต้องเข้ามาศึกษาธรรมะและไม่ใช่ศึกษาธรรมะเดียวต้องปฏิบัติด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เตรียมใจพร้อมรับมือกับอนิจจังทุกขังอนัตตา ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพื่อที่จะรับมือกับชีวิตเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งต่างๆซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่สามารถจะควบคุมบังคับบัญชาได้เพราะเราก็พบว่ามีบางคนก็อายุไม่ถึงยี่สิก็ลาจากโลกนี้ไปเพราะนี่คือความไม่เที่ยงเพราะนี่คือความเป็นพุกิเพราะชีวิตนั้นเนี่ยเราคุมไม่ได้มันเป็นนัตตาแต่ถ้าเรามีธรรมะนะถ้าเรามีธรรมะ เราสามารถจะประเชิญกับสิ่งนี้ได้ถ้าเรามีธรรมะเราได้เข้าใจชีวิตเราจะรับมือกับมันได้อย่างดีมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยอายุสิบขวบนแกเป็นมะเร็งที่เม็ดเลือดแม่นี่ก็เศร้าเสียใจมากเอ๋ยเนี่เสียสามีไปอัวนี้กำลองอังจะเสียลูกอีกคนหนึ่งแต่เขาก็เป็นคนที่สนใจธรรมะอยู่บ้างตัวแม่นะ ก็เลยพยายามที่ชวนให้ลูกเนี่ยได้ได้รู้จักธรรมะพาไปสวนโมกได้พบอะจารย์พุทธทาสได้ฟังธรรมะอาจารย์พุทธทาสแค่สิบขวบนี่แหละคือเพื่อให้เตรียมตัวไว้แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยเด็กเนี่ยอาการเขามันเต็มที่จะใช้แสงจะใช้เ ค, ม, บบคมีบาบัดยังไงก็ไม่หายวันสุดท้ายนี่ปวดทุกทรมานมาก จนก็อาเจียนมาเป็นเลือดแล้วเด็กก็พูดถามขึ้นมากับพยาบาลและแม่เลยว่านี่หนูจะตายแล้วหรือเด็กเขาถามอยู่เลยนะปกติพยาบาลแล้วก็แม่จะจะบอกว่านุ้ยยังไม่ตายนะแต่ว่าพยาบาลเนี่ยเขารู้ดีว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาพอจะทําใจได้เขาบอกว่าใช่หนูกำลังจะตายแต่หนูอย่ากลัวหนูเป็นคนกล้า อาจารย์พุทธธาตอยู่ข้างหน้าแล้วให้หนูกล้าเข้าไปเลยคือกล้าเข้าไปหาความตายอาจารย์พุทธธาตุรออยู่ข้างหน้าแล้วหนูเป็นคนกล้านะป้าคือพยาบาลเนี่ยเรียกว่าตื่นว่าป้าแล้วก็แม่นจะช่วยหนูพอพูดเช่นนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้สติขึ้นมาเด็กก็ได้สติขึ้นมาเด็กรู้จักอาจารย์พุทธธาตเด็กรู้ว่าอาจารย์พุทธธาตุได้ลัดจากโลกนี้ไปแล้วพอรู้ว่า พอทียาบาลบอว่าจำผู้ท่านนี่ลออยู่ข้างหน้าแล้วเด็กก็เกิดความกล้าแล้วก็ทําใจสงบแต่เด็กกันแม่เนี่ยก็บอกให้เด็กเนี่ยตามลมหายใจเข้าและออกเข้าและออกพุทโธพุทโธพุทหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วแม่นี่ก็เอามือกลุ้มมือของเด็กเอาไว้เด็กก็ในสุดก็ทําใจสงบแล้วก็จากไปด้วยความสงบเราเคยเจอ เด็กที่จับไปอย่างสงบนีไหมเดี๋ยวว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ที่จากไปอย่างสงบเดี๋ยไม่ทุรนทุรายเนี่ยหายากเนีแต่เด็กสิบขวบทําได้และเราทุกคนก็ทําได้ด้วยถ้าเราฝึกนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะเราก็ทําใจอย่างเด็กคนนี้ไม่ได้เพราะอะไรพอแม้แต่โทรศัพท์มือถือหายเรายัางทุรนทุลายเลยเราอยังจะร้องไห้เลยเดี๋ยวว่าแต่ความตาย เงินหายพันบาทก็กระสับกระส่ายนะทุรนทุรายโทรสามมือถือยิ่งหายนี่แทบจะสติมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีคนหนึ่งนะซื้อโทรศัพท์มือถือมาสองมื่นบาทใช้ได้ไม่ถึงสองวันเองก็หายหายแล้วก็ทุกข์มากเลยนะสุดท้ายต้องไปหาหลวงพ่อไปหาทำไมหลวงพ่อเป็นเกจีอาจารย์ก็หวังว่าจะให้ท่านเนี่ยช่วย ช่วยบอกนั่งทางในบอกบอกแซนหรืว่าจะโทรศัพท์มันไปใครเอาไปหายที่ไหนหรือว่าจะได้คืนไห ม, มนีคนไปหาพระเน่ยให้นั่งทางในพอโทรศัพท์ ม, มอือหายไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านไม่ถามเลยนะโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรท่านไม่ถามด้ยหายที่ไหนหายเมื่อไหร่แต่ท่านถามว่ามีทองไหมหลวงพนอนนี้ก็บอกว่ามีครับหลวงพ่อบอกว่า อีกไม่นานก็หายมีรถไหมมีครับอีกไม่นานก็ไปมีแฟนไหหนุ่มก็บอมีครับอีกไม่นานก็ไปเหมือนกันเจอแบบนี้ข้แก่หนุงวันนี้ก็เลยกราบหลวงพ่อเลยลากลับไม่ถามต่อแล้วเลิ่นโทรศัพท์มือถือไม่ใช่เพราะว่ากลัวถูกแช่งนะ แต่เพราะได้สติขึ้นมาว่าโัวสามมือถือหายเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่ต่อไปต้องเจอของหายของสูญเสียมากกว่า น, นี้เพราได้สติขึ้นมาเลยว่าโัวสามมือถือหายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าไอ้ที่ต้องหายต้องพัดพรานเนี่ยจะต้องมีตาใหม่อีกเยอะและนี่แหละคือคุณประโยชน์ของการที่เราเข้าใจความจริงของชีวิต เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะเริ่มทำใจได้เราเข้าใจเราลึกอยู่เสมอว่าความพัฒพราดเรื่องธรรมดาเวลาเรามีเรามีอะไรก็ตามเนี่ยจะมีโทรศัพท์มือถือจะมีกล้องถ่ายรูปลองนึกเถื่อๆไว้บ้างนะว่าของพวกนี้เนี่ยแม้เราจะรักยังไงก็ตามเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นาน ทำใจเผื่อไว้บ้างว่ามันอาจจะพัดพลากไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณทำใจอย่างนี้ไว้นะถึงเวลามเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยคุณจะน้อยลงแต่คนที่ทุกเนี่ยร้อง吼ร้องไห้ติปฏิภายเพราะไม่สามารถจะทำใจได้เพราะลืมไปว่าความพัดพลาดสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ของหายแล้วยังทุกนะแสดงว่าเสียสองต่อนะ ต่อแรคือเสียวัตถุเสียเข้าของนี่ทุกขันที่หนึ่งทุกขั้นที่สองคือเสียใจขาดทุนสองต่อเลยนะแต่คนฉลาดนะเขาจะขาดทุนแค่ต่อเดียวหรือขาดทุนแค่อย่างเดียวคือของหายแต่ใจไม่ทุกพ่อก็เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา หรือคนที่ฉลาดกว่านั้นก็คือว่าได้กําไรจากการที่สูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปได้กําไรยังไงได้กําไรในไงที่ว่าเออของหายนะเขามาเตือนเราก็ามาเตือนเราว่าความพัดพลาดสูญเสีย เ, เรื่องธรรมดาเขามาเตือนเราว่าต่อไปจะต้องเจอหนักกว่านี้ คนเราส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยระลึกถึงเรื่องพวกนี้นเท่าไหร่เพราะไปเพลิดเพลินกับความสุขไปเพลิดเพลินกับความสําเร็จการที่มีของหายแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันมาเตือนเรานะว่าต่อไปคุณจะเจอหนักกว่านี้หายร้อยบาทเนี่ยมาเตือนให้เรารู้ว่าต่อไปคุณอาจจะหายพันบาทและต่อไปไม่ใช่ของหา ย, ย่างเดียวแฟนเขาก็จะไปจากเราเขามาเตือนเราว่า สักวันหนึ่งพ่อแม่ก็จะไปจากเราเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดแบบนี้นะเขาได้กําไรแล้วนะได้กําไรแล้วอยากให้เราเนี่ยได้กํำไรแบบนี้บ้างอย่าเอาแต่ทุกทุกนี่นะไม่ได้มีไว้คล่ําครวนนะทุกมีไว้ใคร้ครวนทุกมีไว้ใค ร, คร่ครวนคล่ำครวญกับคร่ครวนต่างกันนะส่วนใหญ่นี่ทุกแล้วคล่ําครวนแต่ถ้าคุณทุกแล้วเนี่ยเช่นพัดพากสูญเสียของหาย หรือแม้แต่อกหักลองพิจรารณาดูลองมาไข้โค ร, ครงดูเถอะนี่เขากําลังจะบอกเราว่าเป็นเพราะเราไปหลงไปยึดเป็นเพราะเราไปเผลอเราประมาทเราไปเราลืมสติไปว่าสิ่งทลายั้งป่วยไม่เที่ยงเมื่อใดก็ตามที่คุณลืมเรื่องนี้ไปนะคุณเตรียมทุกได้เลยและความทุกนี่แหละมันจะเป็นการสอนเราว่านี่เป็นพ เ, เพราะเราเผลอเป็นเพราะเราประมาท เป็นเพราะเราไปนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันสวยสดเป็นเพราะเราลืมเรื่องอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไปถ้าคุณนึกอย่างนี้เมื่อไหร่นรนะคุณได้กําไรแล้วถ้าคุณนึกต่อไปว่าสิ่งทั้งหมดเท่าไหร่นักปุณนี่เข้ามาเตือนเราว่าคุณจะต้องเจอหนักกว่า น, นี้ถ้าหายร้อยบาทนี่ยังทุกยังทําใจไม่ได้แล้วคุณจะทําทใจยังไงกับเวลาหายพันบาทถ้าร้อยบาทนี่คุณยังทําใจไม่ได้เนี่ยเราจะทํายังไงกับการเวลาพ่อแม่ล้มหายตายจากไป หรือตัวเองเนี่ยล้มเจ็บล้มป่วยให้ระลึกว่านี่คือการบ้านเวลาคุณประเจอความทุกข์เนี่ยนี่คือการบ้านที่คุณต้องสอบให้ผ่านต้องสอบให้ผ่านนะถ้าคุณสอบไม่ผ่านนะคุณจะเจอแล้วคุณจะสอบผ่านไอวิชาหรือข้อสอบที่มันหนักหนาสาหาัสกว่านี้ได้อย่างไรแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยเมื่อเจอเช่นนี้เข้า เขาจะได้กำไรเพราะเขารู้ว่านี่นี่คือธรรมะที่มาสอนเขานี่คือแบบฝึกหัดแบบข้อแรกๆที่จะมาสอนให้เขาได้รู้จักการเอาชนะความพัดพราดสูญเสียที่หนักหนากว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาต่อไปนี้ถ้าเกิดคุณเงินหายร้อยบาทพันบาทหรือกล้องดิจิตอลหายโทรศัพท์มือถือหายตั้งสติเอาไว้ ทุกมาทุกได้เสียใจเสียใจได้แต่อย่าเสียใจนานให้เราลึกว่าถ้าแค่นี้คุณยังเสียใจแล้วแล้วเจอของที่มันหนักกว่า น, นี้พ่อแม่ล้มป่วยพ่อแม่ล้มหายใจจากไปคนรักเกิดเมียนเป็นไปขึ้นมาคุณจะได้ตั้งสติได้แต่ถ้าของผู้นี้หายแล้วทําใจไม่ได้แล้วเจอของที่หนักกา น, นั้นคุณแย่แน่ๆอย่าให้รอถึงวันนั้น ให้เอาสิ่งเหล่านี้เป็นครูให้เอาความพัดพลาดสูญเสียเหล่านี้เป็นครูสอนเราและธรรมะนี่จะสอนเรานะว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ยเป็นเพราะใจเราตังหากไม่ใช่เพราะว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราไม่ใช่เพราะว่ามีคร อ, อกกรรมนะคนเราทุกเนี่ไม่ใช่มีเคราะ ก, กรรมนะคนบางคนเจอคราะ ก, กรรมแต่ใจเขาฝึกไว้ดีเขาก็ไม่ทุกข์บางคนคุณได้ยินไหมเขาบอกโชคดีที่เป็นมะเร็งอะ่ะ เป็นมะเร็งนี่เคราะห์นะเป็นคราะกรรมนะคือหมายถึงว่ามันไม่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครประสงค์อะ่ะแต่มีคนจำนไม่น้อยเนี่ยคราะกรรมทำอะไรก็ไม่ได้เพราะก็ฝึกไว้ดีเป็นมะเร็งแล้วยังบอกเลยว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งทําให้เขาได้หันมาได้คิดมีสติขึ้นมาและหันมาเข้าหาธรรมะในแต่ก่อนที่ไม่เป็นมะเร็งก็สนุกสนานะแต่พอเจอเป็นมะเร็งเข้าต้องเข้าหาธรรมะ และเมื่อได้คนพบธรรมะแล้วใจสบายบางคนเป็นมะเร็งเนี่ยแต่มีความสุขมากกว่าคนปกติธรรมดาซสียอีกคนเป็นมะเร็งบางคนมีความสุขมา ก, กคนถูกหวยนะยี่สิบล้านคนถูกหวยยี่สบล้านบางคนนี่โอ้ตอนแรกก็มีความสุขดีหนึ่งเดือนผ่านไปเป็นข่าวในไทยรัฐว่ากินยาฆ่าตัวตายเพราะเครียดใครต่อใครก็มาลุมขอใครต่อใครก็มาลุม ด่าว่าทำไมถึงไม่ให้เขาบางคนก็โทรมาฆ่าขู่ฆ่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะลงไทรัตน์นหนึ่งซดยาพิษทนายที่ถูกหวยยี่สิบล้านบางคนได้โชคแต่ทุกแต่บางคนเจอเคราะห์แต่มีสุขเพราะอะไรเพราะใจไม่ใช่เพราะว่าสิ่งข้างนอกไม่ใช่เพราะเหตุการณ์เจอเคราะหรือเจอโชคมีเปลี่ยนไปนะเหมือนกับว่าคนเราทุกคนนี้นะเรา มีเศษแก้วอยู่ในมือคุณนึกภาพนะคุณมีเศษแก้วอยู่ในมือเนี่ยทำยังไงถึงจะไม่ให้เศษแก้วบาดมืออย่าไปก ร, รมมันเนี่ยถ้ากุมมันคุณกำรรแล้วเบียเมื่อไรเนี่ยคุณเจ็บนะคนส่วนใหญ่เนี่ยก ร, รมมีเศษแก้วแล้วไม่รู้ว่าเศษแก้วอยู่ในมือก็ไปกรร ม, มันไว้แล้วพอมีแผลเนี่ยถามว่าจะโทษใครจะโทษแก้วหรือโทษตัวเองที่ดันไปกำรรเอาไว้ คนส่วนใหญ่ไปโทษแก้วแล้วถ้าเป็นคุณเนี่ยถ้าคนฉลาดก็จะโทษโทษอะไรมีแก้วอยู่ในมือก็อย่าไปกรรมมันนะทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์เพราะว่าไปเจอสิ่งที่เป็นเคราะห์แล้วเนี่ยปล่อยวางไม่ได้ไปยึดไปติด ก, กับมันเป็นมันเล็งก็เอาแต่ค่ําควรเสียใจเนี่ยเปรียบเส ม, มือคนที่เจอมีเศษแก้วอยู่ในมือแล้วจะไปกรรมมันเอาไว้ เวลาเพื่อนด่าว่าไอ้เวลาเพื่อนตําหนิเพื่อนไม่ทักไม่ทายเวลาแฟนพูดไม่พร้อมนี่เอาเก็บเอามาคิดคิดแล้วคิดเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าอันนี้แหละคือคนที่กำเสกแก้วแล้วบีบเอาไว้แน่นๆก็เลยเจ็บแตทั้งที่มันมีเสียแก้วอยู่ในมือใช่ไหมคุณไม่ต้องกําคุณแค่คุณแค่คแคปล่อยไว้เฉยหรือดีกว่านะั้นคุณก็ความมือลง ความมือลงแล้วเป็นไงเศษแก้วก็ตกใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ไม่หรอกแบะไปงี้แล้วก็ยังกรรมมันอีกเวลาได้ยินคําได้ยินใครพูดไม่เพราะเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันผ่านเลยไปเก็บเอามาคิดแล้วก็นอนไม่หลับเนี่ยคือคนเปลียยเส ม, มอคนที่มีเศษแก้วอยู่ในมือแทนที่จะคว้า ม, มือลงให้มันตกลงไปจากมือเปล่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะไม่ใช่อยู่ที่เพราะอยู่ที่หรืออยู่ที่โชค คนมีโชคแต่ทุกข์จนจะฆ่าตัวตายก็มีคนที่มีเคราะห์แต่ว่าจิตใจผ่องแผ้วผ่องสงสัยก็มีและคนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเจอความทุกข์เจออันนีจังทุกขังอนัตตาเล่นงานเจ็บป่วยพัดพราคนรักสูญหายไปหรือแม้คุณจะประสบกับความตายที่ใกล้เข้ามาแต่ทุกคุณมีธรรมะไว้นะ ไอ้สิ่งเหล่านี้มันทำอะไรคุณไม่ได้เจตใจก็ยังเป็นสุขได้อันนี้แหละคือเหตุผลทำไมต้องศึกษาดังธรรมะเพื่อที่เราจะได้ประเชิญแล้วก็เอาชนะความพัดพลากความสูญเสียความผิดหวังความเจ็บความป่วยและความตายได้